สองประถมปาราชิกกันว่าด้วยปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งสมัยนั้นมีหมู่บ้านนามว่ากัลลันทะตั้งอยู่ไม่ไกลเมืองเวสาลีมีบุตรเศรษฐีผู้เป็นบุตรชาวกัลลันทะนามว่าสุทินนะสุทินนะผู้มีคำต่อท้ายชื่อว่าบุตรชาวกัลลันทะพร้อมด้วยสหายไปสู่กรุงเวสาลี เห็นพระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรมจึงแวะเข้าไปสดับธรรมมีความเลื่อมใสใครจะออกบวชจึงกราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่พระศัสดายังไม่ประทานอนุญาตให้บวชเพราะมารดาบิดายังไม่อนุญาตสุทินนะจึงกลับไปขออนุญาตท่านมารดาบิดาแต่ไม่ได้รับอนุญาตจึงอ้อนวอนถึงสามครั้งก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดิม สุทิ น, นะจึงนอนลงกับพื้นอดอาหารถึงเจ็ดวันมารดาบิดาอ้อนวอนให้ล้มความตั้งใจก็ไม่ยอมพวกเพื่อนๆมาอ้อนวอนก็ไม่ยอมในที่สุดพวกเพื่อนๆ อ, อ้อนวอนให้มันดาบิดาของสุทิ น, นะอนุญาตก็ได้รับอนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ออกบวชประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ทางวัดชีคาม ครั้งนั้นแคว้นวัดชีซึ่งมีกรุงเวสาลีเป็นราชธานีเกิดทุกภิกขภัยระสุทินนะมีญาติเป็นคนมั่งคั่งมากเมื่อเดินทางไปถึงกรุงเวสาลีญาติญาติทราบข่าวก็นำอาหารมาถวายเหลือเฝือระสุทินนะก็ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายอีกต่อหนึ่งแล้วเดินทางไปกาลันทคามคือตาบลบ้านเดิมของตน ความทราบถึงมารดาบิดาบิดาจึงนิมนต์ไปฉันมารดาก็นำทรัพย์สมบัติมาล่อเพื่อให้ศึกพระสุธินะไม่ยอมจึงไม่สาเร็จต่อมามารดาพระสุธินะรอจนภริยาของพระสุธินะที่แต่งงานกันตั้งแต่ในสมัยยังไม่ได้บวชรอจนนางมีระดูได้กำหนดจะมีบุตรได้จึงพานางไปหาพระสุธินะที่ป่ามหาวันชวนให้ศึกอีก พระสุธินะไม่ยอมจึงกล่าวว่าถ้าไม่ศึกก็ขอพืชพันธุ์ไว้สืบสกุลครั้งนั้นยังไม่มีการบัญญัติวินัยห้ามเสพเมถุนพระสุธินะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พอทำได้เพื่อให้มีบุตรสืบสกุลจึงเสพเมถุนด้วยภริยาของตนซึ่งต่อมานางตั้งครรภ์และคลอดบุตรบุตรของพระสุธินะจึงได้นามว่าเจ้าพืชภ ร, ริยาของพระสุธินะ ก็ได้นามว่ามารดาของเจ้าพืชต่อมาทั้งมารดาและบุตรออกบวชได้สำเร็จอรหัตผลทั้งสองคนกล่าวถึงพระสุธินนะเกิดความไม่สบายใจขึ้นภายหลังถึงขนาดสู้ผอมภิกษุทั้งหลายถามทราบความจึงพากันติเตียนและนำความกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไตส่สวนเรื่องนั้นทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้ภิกษุเสพเมถุนทรงปรับอาบัติปา ร, ราชิกแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดแต่กรณีของพระสุทินนะไม่ต้องอาบัติเพราะเป็นต้นบัญญัติไม่มีการปรับอาบัติย้อนหลัง อนุบัญญัติข้อบัญญัติเพิ่มเติมต่อมามีภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีเข้าใจว่าห้ามเฉพาะเสพเมถุนกับมนุษย์จึงเสพเมถุนด้วยนางลิงความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมให้ชัดขึ้นว่าห้ามแม้ในสัตดิรชานภิกษุเสพเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ภายหลังขอเข้าอุปสมบทอีกพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติมิให้อุปสมบทแก่ผู้เช่นนั้นต่อจากนั้นมีคำอธิบายตัวสิกขาบทอย่างละเอียดทุกๆคำพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบภิกษุห้าประเภทไม่ต้องอาบัติคือหนึ่งภิกษุผู้ไม่รู้ตัวหรือถูกบังคับแต่ไม่ยินดีสอง ภิกษุผู้เป็นบ้าสภิกษุผู้มีจิตปุ้งซ่านหมายถึงเป็นบ้าไปชั่วขณะด้วยเหตุอื่นไม่ใช่บ้าโดยปกติอธกคถาแก้ว่าผีเข้าในสมัยนี้เทียบด้วยเป็นบ้าเพราะฤทธิยาบางชนิดสภิกษุผู้มีเวทนากล้าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบ้างห้า ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหมายเหตุภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติก็คือภิกษุผู้เป็นเจ้าของเรื่องที่นำมาซึ่งการบัญญัติวินัยนะครับวินีตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจัยชี้ขาดต่อจากนั้นมีการแสดงตัวอย่างที่ภิกษุทําไปเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ในลักษณะต่างๆกันและพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงวินิจฉัยไต่สวนและชี้ขาดว่าต้องอาบัตบ้างไม่ต้องอาบัตบ้างตามเงื่อนไขทางวินัยทั้งหมดมีประมาณเจเรื่อง